เรื่องวินิจัยปัจจัยสี่วาทาท่านพระอาจารย์มั่นน่าคิดเศรษฐกิจนี้ก็คือปัจจัยสีใช่ไหมปัจจัยสี่เป็นเศรษฐโถเศรษฐาเศรษฐถังทั้งปุกทั้งอิดทั้งหน้าปุกครบทั้งสามลึงเศรษฐะแปลว่าเจริญที่สุด เจริญอย่างไรเจริญเคียงคู่กับคนเศรษฐกิจหรือปั จ, จัยสีน่นี้มนุษย์จะอยู่ได้เพราะอาศัยความเจริญนี้ไปพร้อมๆกันจึงสืบต่อมาได้ท่านว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระวินัยปาติโมกข์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการเศรษฐกิจนี้เกือบจะทุกสิกขาบทบางสิกขาบทท่านพระอาจารย์ก็วินิจฉัยและเข้าใจความหมาย เช่นสิกขาบทเกี่ยวปัจจัยที่สี่คือยารักษาโรคความว่าภิกษุไม่เป็นไข้ติดไฟเองก็ดีใช้คนอื่นติดก็ดีเพื่อจะผิงไฟนั้นต้องอาบัตปาจิตตีแต่ท่านพระอาจารย์มั่นมักจะผิงไฟเป็นนิสัยข้อนี้ทำให้สิทธิ์สงสัยกันมากโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะทำซุ้มไฟติดไฟตั้งแคร นั่งนอนในซุ้มไฟเทศแก่สิทธ์ในซุ้มไฟสิทธ์ก็ได้ผิงไฟไปด้วยไม่ต้องหนาวลาบากข้อนี้ท่านบอกว่าคำว่าไข้นั้นหนาวจนทนไม่ไหวก็คือไข้นั่นเองหรือจะให้เป็นไข้จับสันจนจะตายอยู่แล้วจึงจะผิงไฟได้อย่างนั้นหรืออย่าไปผิงเลยนอนคอยตายดีกว่า คนหนาวจะตายแล้วไฟก็เป็นยาทำให้ร่างกายอบอุ่นเลือดลมเดินได้สะดวกจะเดินสมณธรรมได้ดีกว่าอดทนหนาวตายไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านว่านิสัยที่พระอุปชาสอนครั้งแรกข้อสีว่าอาศัยน้ามูดเน่าเป็นยานั้นตามความเข้าใจของนักวินัยทั้งหลายหมายเอาผลมะขามป้อมผลสมอ มาดองด้วยน้ำมูดเน่าคือน้ำปัสสาวะอันนั้นก็ถูกต้องแต่ท่านหมายเอาน้ำปัสสาวะคือน้ำเน่าที่ดองในร่างกายคนแก้โรคได้เพราะอันนี้ได้พิจารณาแล้วคำว่าเพสั์นั้นหมายถึงยาทุกชนิดที่แก้โรคได้แต่ละอย่างต้องการกรรมวิธีด้วยการหมักดองให้เน่าเสียก่อนรวมความแล้ว ยาต้องดองด้วยน้ำมูดเนา่ากินความกว้างหมายเอายารักษาโรคทั่วไปรวมทั้งยาบำรุงด้วยเช่นเพศัช ท, ทั้งห้าท่านว่าอย่างนี้หมายเหตุผู้บันทึกเสียงต้องไม่ลืมนะครับว่าทั้งพระไตรปิฎกและทั้งพระอาจารย์มั่นที่ท่านกล่าวไว้นั้น เป็นวิทยาการในสมัยก่อนที่ยาแผนปัจจุบันและวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่เจริญเท่าสมัยนี้ซึ่งการทายาด้วยการหมักดองด้วยน้ำมูดเน่านั้นถือเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายส่วนหนึ่งเป็นตัวทำละลายและสกัด ส, สารสำคัญออกมาและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นวิธีที่ช่วยรักษาให้ยานั้นเก็บไว้ได้นานเพราะสารสคัญในปัสสวาวะนั้นคื อ, อยูเรีย ซึ่งเป็นสารต้านเชื้อแบคทีรียเชื้อราและไวรัสได้ดีพุทธบัญญัติในข้อนี้คือการฉันยาดองด้วยน้ำมูด น, นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายโดยเฉพาะในถิ่นที่หายารักษาโรคได้ยากและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อความสันโดดเลี้ยงง่ายกินใช้บริโภคปัจจัยสีเท่าที่หาได้ซึ่งถือว่าเป็นหลักสาคัญข้อหนึ่งของภิกษุในธรรมวินัยนี้นะครับ เมื่อพูดถึงตามหลักวิชาการในแง่ของสารสำคัญในน้ำปัสสาวะที่ค่าเชื้อได้นั้นจะเห็นได้ว่าถ้าอยู่กลางป่าแล้วเกิดท้องเสียขึ้นมาการฉันน้ำปัสสาวะก็อาจเป็นยาเฉพาะกิจที่ช่วยได้ในกรณีเร่งด่วนจริงๆที่ท่านว่าแก้โรคได้นั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นบางโรคเท่านั้นซึ่งในอดีตนั้นท่านก็คงใช้เมื่อจาเป็นอย่างการอยู่ในป่านในเขา ซึ่งเป็นภาวะที่หาหมอหายาได้ยากนะครับในพระวินยัยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นอเนกปริยายพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นเยี่ยมท่านพระอาจารย์มั่นเน้นในวินัยปาติโมก ค, คือเศิยวัตรทั้งหมดเป็นเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบ รวมทั้งสังคมและมารยาทในสังคมด้วยท่านอธิบายสมณสาวรูปที่สิบหว่าสมณสาวรูปสมณะผู้มีรูปงามจะนุ่งจะห่มจะยืนจะเดินล้วนมีความงามทั้งนั้นนุ่งฮิเรียบร้อยห่มหิเรียบร้อ ย, ย, อยทั้งในวัดและในบ้านจึงเรียกว่าเป็นปริมณฑล ท่านย้ำให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่าเริงในธรรมว่าไม่ใช่ปริมัณสังสะไปไหนก็สังสะมาไหนก็สังสะหมายถึงไม่เรียบร้อยไม่งามไม่เป็นระเบียบไม่ใช่สมณะสารูปเศรษฐกิจสัมพันธ์ยงใหญ่ไปถึงธรรมวิภาคที่สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรถทรงรจนา เป็นหลักสูตรนักธรรมตรีแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ทั้งธรรมทั้งวินัยเป็นสิ่งผูกพันกับชีวิตมนุษย์ทุกรูปทุกนามเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงวางหลักเกณฑ์ไว้ในคำนำว่ากุลบุตรผู้บวชภายในไตรมาสสามเดือนก่อนลาสิกขาให้ท่องให้จบคือเดือนที่หนึ่งท่องวินัยบัญญัติ เดือนที่สองท่องธรรมวิภาคเดือนที่สามท่องขีหิปฏิบัติจบพอดีกุลบุตรลาสิกขาไปจะได้รู้หลักธรรมนำไปปฏิบัติหนังสือนวะโกวาดเป็นหนังสือธรรมะย่อๆแต่รวมเศรษฐกิจสัมพันธ์ไปด้วยทุกอย่างสมบูรณ์เพราะเหตุนี้ท่านพระอาจารย์มั่นจึงย้ำนักย้ำหนา ให้สิทธิท่องให้ได้ผู้เล่าเคยถวายกันสังฆาทิเศษพระวินัยและธรรมวิภาคหมวดสิบอภินาปัจเวคขณะที่ว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองและขีหิปฏิบัติเกียดตครั้นทำการงานมีโทษหกอย่างในหมวดสิบท่านมักจะย้ำ เรื่องคถาวัตถุสิบข้อหนึ่งข้อสองว่ามักน้อยสันโดษอปิชกคาถาสันตุทีคถาคือความมัธยัติใช้สอยพอดีแก่ฐานะของตนก็ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่านพระอาจารย์กล่าวเตือนสิทธิเสมอว่าจะสอนศิลธรรมแก่ชาวบ้านต้องสอนให้อิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงค่อยสอนศิลธรรมทีหลัง สรุปได้ว่าเศรษฐกิจสัมพันธ์และพรานาใหมแบบท่านพระอาจารย์มั่นดูจะสัมพันธ์ผูกพันต่อเนื่องเป็นวงจรระหว่างพระสูตรพระวินัยและพระอาภิธรรมท่านพระอาจารย์ว่าอย่าไปทำตัวเป็นนักการค้าผลิตผลของชาวบ้านซิเองเพราะหากทำเช่นนั้นท่านพระอาจารย์ว่ามหิชตาอสันตุถีสัสังคณิกา ไม่เกิดวิเวกมีความเกียจคร้านจิตก็ห่างจากศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอันควรเป็นควรมีควรได้จากเพศพรหมจันยร์